ขอกราบถวายความเคารพพระเดชพูะคุณพ่อพระมหาเดชพรดิ ย, ดยายนันโทโธขอาการคณาสงฆ์และขอเจริญพรนักปฏิบัติทุกท่านทุกคนนะมือลงนี่นะใจเห็นพระพนมือเราดางังยกมือเฉย อ, อยู่นะไอ้พระไหวอยู่ฝ่ายเดียวนะนะไม่ใช่อะไรกนละัวพระบาปอ่นะเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจใช่หรอกมา <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าช่วงเช้าวันที่เท่าไหร่แล้วนะปฏิบัติมา <S <s นับวันแม่นแล้วเกินนั่นเลยคล้ายๆมาเมื่อไรจะถึงวันที่ห้าที่6งที่เกี่8ติแปดเลยตน้องนั้นทัะนะ <c oughs> ไปลืมๆหน่อยก็ได้ไม่ว่าหรอกก็ทำมาสี่วันแล้วเนี่ยคงจะผ่านความง่วงเหงาเพราะนอนความคี่เกียรติคนลำคาญเจได้แล้วเนาะนะ ผ่านมาหลายวันเขาบอกวันที่สามที่สี่คงจะผ่านวันที่หนึ่งที่สองที่สา ม, มยังหนักอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทําจริงๆนะถ้าทำเรลเลทมันก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละนะชมนกชมหนูมือนจันทร์วนว่าเมื่อคืนนี่นะมันก็ได้มันเดิมมันได้เท่าเดิมถ้าเราทําจริงๆมันก็ได้หลายคนก็ได้อารมณ์นะหลายคนตามที่สัมภาษณ์ดูคนที่ตั้งใจจริงก็ได้อารมณ์ คนที่ไม่ตั้งใจก็อาจจะได้อยู่คนละแบบบางคนก็ได้อารมณ์บางคนก็เสียอารมณ์นะบางคนก็อารมณ์เสียก็มีมันก็ต่างกันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ขนะแล้วแต่เวลาอาจช่วงเช้าได้อารมณ์ดีตอนบ่ายจะเอาให้ไม่ได้มันตอนเช้าไม่ได้ยิ่งปฏิบัติยิ่งหนักยิ่งหน่วงยิ่งฟุ้งซ่านลำคาญก็มีกลายเป็นอารมณ์เสียเลยก็มีฉะนั้นเราเอาอารมณ์ไปที่ยึดไม่ได้ เพราะว่าท่านจะบอกว่าขยันก็ทำที่เกียจก็ทำนะเอาคำนี้ไปใช้จะได้ขยันก็ทำที่เกียจก็ทาเพราะมันอารมณ์คนมันขึ้นมันลงไม่แน่นอนบางทีมันร้อนนะจิตกุอุตุอาหารก็เช่นเดียวกันอากาศอุตนะุอากา ศ, ากาศมันไม่สม่าเสมอตอนเช้าเย็ยนสบายมันสปะยะแต่ตอนบ่ายมันร้อนอย่างเงี้ยอากาศ นะอาหารก็เช่นเดียวกันอาหารบางวันก็หนักบางวันก็เบาวันนี้อร่อยเอาเยอะหน่อ ย, ยนะเกิดเมาอาหารถ้าเอาพอดีพอดีโพชเนมัตันจุตาก็ทําให้เราปฏิบัติเบาสบายปฏิบัติไดอารมณ์ให้มันหิวหิวหน่อยนะอาตมาว่าในเวลาปฏิบัติถ้าอิ่มมากนะเอาให้อิม่มเต็มที่จะได้ปฏิบัติให้เต็มที่เสร็จจีเรตตอนนั้นนะ ตอนหิวหิถ้า ห, หิวหิวแล้วเนี่ยมันจะเริ่มนะเริ่มเห็นความเบาของร่างกายนะหิวหน่อยก็จะได้อารมณ์ละมาชอบตรงนั้นนะเวลาปฏิบัติอาจจะชันน้อยนักปฏิบัติต้องชันน้อยนะถ้าชันมากทานมากก็ไม่ใช่นักปฏิบัตินะเป็นนักบริโภคนะบริโภคฉะนั้นก็ค่อยทําไปทําไปเรื่อยๆทำอย่างเงี้ยนละ ครูบาอาจารย์ก็พาทําด้วยกันง่วงก็ง่วงด้วยกันปฏิบัติด้วยกันแต่มาว่ามันเป็นธรรมดานะอุปสรรคเนะี่ยทําอะไรไม่มีอุปสรรคมันกับมันมันไม่มีคู่ต่อสู้มันมันจะจิตจืดจางจายังไงไม่รู้นะแต่ก็ต่างจากการผ่านอุปสรรคเนะถ้าผ่านอุปสรรคแล้วเนี่ยมันผ่านไปได้มันรู้สึกว่า มันโลกมันโปร่งนะมันโล่มันโปร่งมันได้สติแต่ถ้ายังไม่ผ่านมันไม่มีอุปสรรคอะไรมันก็ไม่ได้อะไรนะมันยกเล่นเฉยๆนะยกมือแต่ก็ให้ทําไปเรื่อยๆนะทําไปหลายคนก็เมื่อเมื่อไหร่จะหยุดทํำพยาญนะเมื่อไหร่จะหยุดทําก็เมื่อไหร่ที่โยมหมดทุกข์เนี่ยถึงหยุดทํานะเพราะว่าทําอย่างนี้มัน อมันต่างจากวิธีการอื่นนะพูดถึงวิธีการอื่นนิดหนึ่งวิธีการอื่นคือนะฮะวิธีการปฏิบัติทั่วไปที่เราปฏิบัติดูเคยได้ยินได้ฟังได้อ่านมาทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะคัตมาว่าดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันต่างกันตรงไหนมันเอาวิธีการปฏิบัติเนี่ยนะสังเกตดูที่ไหนมันมีอยู่สองอย่างมันต่างกันคือหนึ่งลืมตากับหลับตา วิธีการส่วนมากจะหลับตาเพราะอะไรเพราะการห ล, ลับตามันมีความสุขหลับตานี่มีความสุขหลับปุ๊บก็นั่งปับ๊บหลับหลับตาไม่ใช่หลับเลยนะมันหลับตามันรู้สึกว่าปิดทวารทางตาแล้วมันนิ่งมันสงบมันเช่มชื่นใจนะและคนนึงติดคนหนึ่งชอบแต่ทำไปเรื่อยๆทำไปทาไปก็หลายคนก็ สามารถเปลี่ยนจากสมาธิเป็นสติได้แต่หลายคนก็ข้ามพ้นไม่ได้ะพอข้ามพ้นไม่ได้ก็อ่ามันรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่เดิมแต่ทําอย่างนี้เหมือนไม่ได้อะไรแลนั่นแหละมันไม่ได้อะไรทําอย่างเนี้ยถ้าไม่มีศรัทธาจริงๆไม่ไม่ศรัทธาในครูบาอาจารย์หรือไม่ศรัทธาในคนที่บอก เ, เราจริงๆแล้วเนี่ย แม้แต่เห็นรูปแบบไม้แต่ได้ยินได้ฟังไม่แต่เจอรูปแบบกัมันก็เบื่อแล้วมันจะได้อะไรอย่างหนึ่งก็มันสังคมไม่ยอมรับคนเรามาทําอะไรมันต้องสังคมยอมรับอย่างเช่นพระอย่างเงี้ยจะมานั่งยกมือเนี่ยโอ้มันไม่ขังอมันไม่ขังมันไม่น่าศรัทธามันไม่น่าเกิดลาภสักการะเนี่ยใครจะเาเข้าม่ให้ฉันอย่างเงี้ยนะ แต่พอนั่งหลับตาแล้วจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็แล้วแต่โยมถ้าเห็นผ่านั่งหลับตาแล้วโอ้ยดูสึกมันขังท่านคงจะเป็นนั่งขังในได้ผู้วิเศษอะไรธรรมนองนั้นรนะูปแบบมันถึงมันถึงง่ายต่อการเผยแผ่นะง่ายต่อการเผยแพร่อัอมาทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาไปอยู่ที่วัดเจ้าวาดก็บอกอ่านะถึงงาน เวลาจัดงานปฏิบัติธรรมเจ้าวาดบอกท่านมหาไม่ต้องพายกมือไม่ต้องพาโยมโยกมือนะพานั่งสร้างจังหวัดให้พานั่งสมาธิเอาว่าอย่างนั้นนะเจ้าวาด ต, ต้องการก็พาทําได้ก็พาทําได้พานั่งสมาธินะนั่งสมาธิสองวันสามวันปฏิบัติพาโยมทำก็ทําได้ให้อารมณ์ได้เพราะอะไรเพราะเราก็เคยทำมามาก ทำอย่างนั้นนะ่ะบอกแนะนำโยมได้แต่ว่าพอทำเสร็จไปแล้วนี่อารมณ์มันไม่พัฒนาโยมทั้งหลายเนะ่ะเพราะวิธีการอย่างนั้นเขาจะมีเข้ามีออกนะมีเข้าก็คืออก่อนจะเข้าก็อีมาหางพระขวาวอาตัตตะพาวังเข้ากรรมาฐานขอกรรมาฐานพอพอนั่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงโยโยมก็เริ่มอึดอัดแล้วเอาพาเดิน เดินหน่อยก็ อ, อีกแล้วก็อึดอัดเอาแผลเมตาได้แล้วพราอาจารย์เราจะไม่พาแผลโยมแผลก่อนแล้นะแผลเมตาอะจะรีบไปไหนลนะ่ะรีบไปพักผ่อนอทํามาเหนื่อยก็พักผ่อนไปนอนอทําอย่างนั้นมันก็เลยไม่พัฒนาแต่รูปแบบดีอโยมนี่โอ้เห็นโยมปฏิบัติภาพปฏิบัติแล้วก็อาหารนี่ไม่ต้องห่วงถ้าจัดงานอย่างนี้สิบวันอย่างนี้แล้วเนี่ยจะภาพสั่งจองมาเลี้ยงอาหารเต็มล่ะ โยมไม่ัวแล้วไม่ต้องมีนะจะาพาดเต็มก็คืออ น, นิสงส์เขาพูดเยอะอ น, นิสงส์กิได้เยอะไม่เยอะอีกอย่างหนึ่งแต่เขาพูดาพูดอ น, นิสงส์มันเยอะนะใครได้เลี้ยงนักปฏิบัติเห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ว่าไปนะคนก็อาจจะได้อา น, นิสงส์เยอะคนก็แห่กันมาเลี้ยงมาถวายเพลนะอันนั้นก็อีกเป็นรูปแบบหนึ่ง ทีนี้ก่อนอาตมาจะม า, ะมาเนี่ยอาตมาก็เคยทําปฏิบัติจริงๆในการประพฤติปฏิบัติแบบยุบหนอพองนหน่อเนี่ยนะก่อนจะมาก็พระเขาก่อนจะมาอเมริกาเขาอบรมหนึ่งเดือนนะอบรมหนึ่งเดือนอันนี้อันนี้พูดให้ฟังนิดหนึ่งโยมไม่ต้องมีอคตินะพระอบรมด้วยกันเก้าสิบรูปนะเก้าสิบรูป ปฏิบัติเข้มอยู่เดือนหนึ่งเต็มๆสามสิบวันนะปฏิบัติเข้มตรงนี้ก็หมายถึงว่าเข้มกว่าเรานี่ออกนะเพราะทำไมถึงบอกว่าเข้มถ้าใครพูดกันนี่เาติคนะนะพูดกันแล้วถ้าพูดถึงสามครั้งได้ใบเหลือง้วได้ใบแดงพูดสองครั้งได้ใบเหลืองนะเตือนติ๊กไว้แล้วก็ เวลาไปเวลาปฏิบัติก็มาจัดนั่งเนี้นั่งแล้วก็นั่งใครนั่งมันอนั่งไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันไม่ต้องสนใจกันเลิกแก่ปฏิบัติแล้วเขาเ ข, าขาติ๊อีกนะเขาเขาตามดูพฤติกรรมอีกคนไหนไปเร็วไม่คนไหนช้าคือต้องสำรวมตัวเวลานะ่ะต้องค่อยๆเดินน่ะค่อยๆไปเดินไปที่พักที่อะไรนะเดินไปที่พักอต้องสำรวมตวลอตอน ตอนฉันตอนอะไรเหมือนกันนะตอนฉันก็ค่อยฉันฉันในบาทนะโอ้โอยมมาถวายเพลินจนไม่มีที่จะวางอาหารอยากได้บุญด้วยนะขาออกทั้งสถ า, านีวิทยุโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านต่างๆก็าามาแต่ปรากฏว่าพระนะไปส่งอารมณ์แต่ละวันเนี่ยมันไม่ค่อยได้อารมณ์เหมือนกันไปส่งอารมณ์ไปแต่ ว, ว่า ยมได้อะไรวันนี้มาบอกสิพระได้อะไรวันนี้มาบอกครูบาอาจารย์พระก็นะปฏิบัติมันไม่ได้อะไรนะมึงต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได้ก็โกหกครูบาอาจารย์นะท่นเนี่ยอยบางคนผมเกิดปิติ ต, ตรงนั้นตรงนี้องค์ในฉลาดหน่อยก็เอายาหม่องทาไม่มีไม่ได้อารมณ์เอายาหม่องทาขาพระอาจารย์วันนี้ผมได้อารมณ์พูดได้เฉพาะกับครูบาอาจารย์นะสองวันสามวันสองลมครั้งหนึ่ง ผมเกิดปิติที่ขาสราบสาตขึมาเย็นอย่างเงี้ยนะพอออกอารมณ์แล้วค่อยมาสารภาพกันนะแต่ละคนในโคกุบาอาจารย์ยังไงเนะี่ยพอพอเลิกปฏิบัติปั๊บเข้าเต้นใครเต้นมันนะเป็นเต้นเป็นกฎนอนในกฎเสียงโกนแข่งกันอลไรที่นี้ตอนเที่ยงปืนปลาปืนปล า, ปปลามันเหนื่อยรีบไปนอนนะตั้งเวลาปลุกตรงเป๊ะนะมาช้าไม่ได้เซ็นชื่อเข้าปฏิบัติ พอเอาเอาเดือนหนึ่งผ่านไปเนี่ยปลาขวาพลาเนี่ยโอ้โหอึดอัดนั่งนะพอผ่านไปเดือนหนึ่งดีอกดีใจผ่านปรมาทานเหมือนกับตกนรกว่าอย่างนั้นนะพระเหมันก็ตกนรกนะสบายอกสบายใจออกกระมาทานมานะแล้วก็ผ่านไปเที่ยวเฮฮากันสนุกสนานเลยลนะ่ะทีนี้ถามว่า <c oughs> พระทําไมถึง ทึงไม่ชอบปฏิบัติกันนะพระทำไมทึงไม่ชอบปฏิบัตินะส่วนมากเวลาเอาพระไปปฏิบัติโอ้ยเหมือนกับเขตยก็ขึ้นภูเขานะนะเพราะอะไรเพราะงานพระเยอะหนึ่งงานการปกครองเยอะสองโยมเลี้ยงพระเป็นเทวดาเทวดาไม่อยากปฏิบัติธรรมนะเทวดานะเนะ <c oughs> พราะอะไรเพราะไปปฏิบัติธรรมมันทุกข์มไม่รู้จะได้อะไรมันอึดอาดมันอยู่เฉย จำเจปฏิบัตินั่งปับตาโอ้ถ้าอยู่วัดในีไปจิตในมลได้เยอะแล้วป่านนี้นะถ้าอยู่วัดทําอะไรได้เยอะแล้วนะถ้าอยู่วัดจะทําอะไรก็ได้นะถึงเวลาฉันก็ฉันไม่ฉันก็ยังคุมไปฉันนะเราจะมาลําบากมากกับการไปสรองฉาญท้ายโยมเนะี่ยที่บ้านไม่ใช่ที่นี่วนะันเดี๋ยวแม่คัวเสียใจที่บ้านอขนาดเราวันนี้จะไม่ฉันหน่อยโอ้เยเอาขนอะไรมาให้ที่กุฏิเต็มนะ ขอฉันให้น้อยพระอาจารย์ฉันหน่อยาาใ ห, หย้ให้ได้บุญด้วยหน่อยอย่างเงี้ยโยมก็อยากให้พระฉันด้วยพระก็ฉันฉันอิ่มแล้วก็จะไปทําอะไรได้ถ้ามันอิม่มเนาะก็เหมือนงูเหลือมแลหละนะมันอิ่มครั้งหนึ่งมันนอนอยู่เกดวันนะงูกวมัจะย่อยได้น ะ, อ, ะอาหารเก่าตอนเช้ายังไม่ย่อยเลยนี่มลไปแล้วตอนเพลนพระอาจารย์ฉันอีกนตอนเย็นกลัวพระหิวก็หาอะไรมาใส่ตู้เย็นไว้ให้เต็มเลยนะ น้ำปานะอะไรต่างๆนี่คือชีวิตของพระฉะนั้นพระแตกต่างกับโยมตรงไหนทีนี้ถามพระแตกต่างกับโยมตรงไหนทัวนี่โยมทัวนี่พระสันสองมือโอแตกต่างของท่านสองมือนะเห็นแล้วเห็นใช่ไหมพระสันสองมือมั่นใจหรือพระฉันสองมือ พระเขาฉันทุกมือนั่นแหละนะพระเขาฉันทุกมือมือนี้ก็ฉันพวกนี้ก็จะฉันอีกนะมือไปตะวันบันพวกนี้นะทุกมือก็เหมือนกันนะพระก็เหมือนกันนะพระเขาฉันมือเดียวฉันเฉพาะมือหิวก็ฉันสองมือก็จริงแต่ว่าพระ ตามสรีระร่างกายแล้วเนี่ยหนึ่งมันจะแตกต่างกันทางการแต่งตัวแต่งตัวเขาเป็นผ้ากาศวภาศกาผ้ากาวพัฒน์สองอที่อยู่อาศัยสามมีวิ น, นัยส่วนความต้องการก็เหมือนโยมนั่นแหละนะต้องการกินต้องการนอนต้องการ ที่อยู่อาศัยสัปเพยะความรู้สึกก็เหมือนกันนะเพียงแค่พระธรรมวินัยนั้นเป็นตัวกรอบบังคับกฎเกียนไว้เท่านั้นเองถ้าไม่มีพระธรรมวินัยแล้วนะก็เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นพระราชามหากษัตัตย์เป็นอะไรก็เหมือนกันหมดนะพระราชามหากตรสัตว์ก็ลำบา ก, กราเราิดนหนึ่งใช่ไหม มีชีวิตจิตใจมีความต้องการธรรมชาติเมืันคนธรรมดาแต่ทํำมันคนธรรมดาไม่ได้เพราะอะไรเพราะอยู่ในฐานะที่ทําไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบอยู่ในอะไรต่างๆในที่จับตั้งจับตาของสังคมนะทําอะไรไม่ได้มีห้องเตะคนหนึ่งนะบนกับอมาม่าด้วยบนกับไอ้ผู้ดูแลอึดอัดว่าอย่างนั้น เราก็เหมือนท่านนั่นแหละอยากจะกินอะไรตีเลยอร่อยอร่อยก็ต้องมีคนมากินก่อนเพราอนั้นนะกินมากก็ไม่ได้คือเอามาแล้วเนี่ยต้องคนอื่นต้องกินเสีก่อนมียาพิษหรือเปล่านะคนอื่นกินก่อนแล้วกินมากก็ไม่ได้เพราะมันเยอะต้องกินทุกอย่างนะองเตอืดอัดลําบากใจจะไปไหนก็ไปไปไหนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนพวกเธอเหรอกเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนคอยระวังมีคนจองจ้องทำไร นะมันอืดอัดมันอะไรต่างมันมนะทีนี้ชีวิตพระในะอย่างไปไหนก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวคนฆ่าเพราะไม่มีพิษมีภัยมันคนอื่นไม่ต้องมีศัตรูป่าไหนก็ไปนะราะฉะนั้นถึงเดินทุดงอยู่ป่าอยู่อะไรมันสะดวกส บ, บายเป็นพระแต่ว่าพิสุณีเขาลำบากหน่อยนะไม่ชีพ้พิสุณีเพราะคนกักขะคนทรชนเยอะก็รัตุสลายร่างกายอะไรต่างๆ นะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันกิเลสเหมือนกันก็มีกิเลสสามตัวเหมือนกันแต่บางทีก็มากกว่าโยมบางทียองก็มากกว่าพระกิเลสมันต่างกันพระก็กิเลสพระก็อาจจะไม่ใช่อยากจะมีอยากจะเป็นมัณยมนะก็อาจจะอยากจะมีอยากจะเป็นเป็นพระครูเป็นเนจ้าคุณเป็นอะไรอย่างนั้นอีกอีกอย่างหนึ่งนะเพราะฐานะตรงนั้นมันมีเงินเดือนนะ พักครูก็อย่างน้อยก็สี่พันห้าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไม่ต้องทําทะเบียนส่งอ่าปปช อ, อะไรนะปะปะชไม่ต้องไปตรวจนะจะใช้อะไรก็ตามใจเจ้าคุนก็หกพันเจ็ดพันขึ้นชั้นสูงไปก็หมื่นสองหมืนนะก็อย่างเงี้ยโยม <c oughs> ทีนี้ความสะดวกสบายมันต่างกันสะดวกสบายพอสะดวกสบายแล้วก็ไม่อยากมาปฏิบัติ พอมาสองวันสามวันก็อยากจะกลับเป็นอาวาสปริพภทแล้วทีนี้ที่วัดอันนั้นก็มีหมูหมาเขามีเยอะใครจะดูแลให้นะปิดประตูไว้คือสมบัติเยอะพระสมบัติพระสมบัติสาธนารนณะน่ะถ้าทำหายรือยู่วัดไม่ได้นะมีเพื่อนอาตมารูปหนึ่งอยู่ที่วัดปรากฏว่าเขางัดเข้าไปเอาพระในโบสถ์นะ่ะพระหายชาวบ้านไล่หนีเลย ดูแลพระไม่ดีวดูแลพระไม่ดีนะชาวบ้านไล่หนีเนี่ยพอไล่หนีไปก็เนี่ยไปอยู่วัดอื่นก็ลำบากเลยนะเนี่ยพออยู่พรรษามากอาจารย์นพูดให้ฟังตรงนี้หมายถึงว่าปฏิบัตินั้นนิวรณเหมือนกันนะพอปฏิบัติไปแล้วมันไม่เรียกพระเรียกสงฆ์ไม่เรียกคนธรรมดานะพอปฏิบัติไปเ น, นี่ยนะ พอจิตเราเป็นสมาธิหน่อยก็ง่วงนอนอ่าสลึมสะลืออาจารย์วางบอกว่าบอกโยมว่าความห่วงมัีสองชนิดนะชนได้ที่หนึ่งก็โอ้ยมันมันมาแล้วเนี่ยมันทํายังไงรู้ไหมไอ้ความง่วงอ่ะมันก็ตอนแรกมันก็เอาเท้าเหยียบริมที่ปากด้านล่างของเราอ่ะนะเหยียบดินปากด้านล่างงเราขย่มให้มันอ้าปากง่วงอ่ะแล้วก็ มันแล้วก็มันแล้วก็สองมือข้างหน้าขยุมหนังตาเราไว้ขยุมลงแล้วไม่พอดึงหนังตาลงมาอีกนะดึงนะบางคนหาวดึงตาไม่ขึ้นนะถูกมันดึงมันปิดไว้นะอาตมาเดินไปใกล้เต้นทเสียงดังว้าแล้วบางคนหาวแบบไปไเกรงใจพระเลยนะพอเห็นพระโผล่ไปอุ้ยพอ น, นะตกใจมาเต็มไหร่แบบนั้น เรต้มาเดินเรต้มาไม่ใส่รองเท้านะเดินนะจะเดินเงียบๆนะขนาดเท้าจบกลืนตาขึ้นเห็นพระยืนอยู่ข้างอุ้ยมันตกใจสติหายมันด้วยตกใจทําไมนะัม่นเป็นธรรมชาตินะ่ะ <c oughs> นั่นเนะี่ยสลึมสลือเหมือนกับเมฆมืดมันคุมมันยังไงไม่รู้นะนะบางทียืนแต่มายืนยกมือสร้างกว่นะสสบัดเลยนะบางทีนะล้มยืนไม่อยู่เหมือนกัน บางที่ต้องอาศัยต้นไม้พยุงไว้นะต้นส้มก็ระวังหนามมาหน่อยก็แล้วกันนะนะขนาดยืนจับกุกยกุยล้มก่อนเลยนะทีนี้นั่นคือความง่วงอย่างที่หนึ่งทำยังไงทีเนี้ความง่วงอย่างนี้เดี๋ยจะนั่งดูไม่ได้นะมันมามันจะมีนิมิตมันก่อนนะมันมันเริ่มสลึมสะลือเริ่มเลยอนะบางคนก็จะไปท้าทายมานะมันครอบงํำจริงอ่ะต้อง อเดินต้องยืนต้องเดินอนะเดินแรงๆเดินค่อยก็ไม่ได้นะเดินไปค่อ ย, ยมันจับขาไว้ถกขาไม่ขึ้นนะต้องเดินแรงๆนะก็ระวังตกหลุมตกลองแข้งขาบวมหน่อยก็แล้วกันไมนะ่งั้นก็เขาเปิดน้าก็าน้าล้างหน้าได้ <c oughs> น้ำเที่ยวเร า, าไปก็เอาล้างหน้าอัตมาอาศัายดื่มน้ําเยอะๆนะทําง่วงดื่มน้ำํำเยอะๆง่วงเมื่อไรก็ดื่มน้าง่วงเมื่อไรก็ดื่มน้าที่นี้ง่วงตัวนี้ผ่านไปได้ สนมากถ้า ง, ง่วงตัวนี้มาแล้วเนี่ยศรัทธาไม่พอแล้วมันจะมาด้วยกันหลายตัวนะมันเริ่มเสนามามันสง่งส่งทีนะมิถะมาก่อนมันแค่เสนามานะพญามันยังไม่มาเราก็ตายก่อนแล้วนะมันพอความง่วงมาความเบื่อหน่ายก็จะมาตามนะทีนี้โอ้โออยู่บ้านมาเคยง่วงขนาดนี้ท้า ง, ง่วงขนาดนี้นอนตั้งนานแล้วเนี่ยทำนองนั่น น, นะผ่านนี้ก็สุขสบายแนละ้ว มันจะเกิดความเบื่อหน่ายพ่อเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยฟุงสั้นตามมาเลยเนี่ยคิดโอ้ฟุงสั้นนะเบื่อหน่ายฟุงสัน้นลาคาญใจอ่าไอไอตัวพยาบาทตัวอ่ากรารมฉันทะยังไม่มาหรอกนะตัวพยาบาทตัวพยาบาทจะมาอีกอารมณ์หนึ่งแต่ความง่วงความฟุงสั้นําคาญใจความอึด อ, อัดกระเคืองใจความ อ, างอง่วงเหงาหดความหดามหด ห, ด ห, ม ห, ดหดูใจใจะมาก่อน ทำแล้วได้อะไรคนลังเลสงสัยเขาจะเริ่มมาแล้วทีนี้มันจริงแล้อมันอย่างเงี้ยนะถ้าคนถ้ามาฟังทำก็มีกำลังใจขึ้นหน่อยแต่พอไปแล้วไปเจออุปสรรคเขาอีกแล้วเหมือนกับถูกปลุกใจขึ้นมามันฮึกเหือเพิออมอีก น, นิดนึงเลยนะแต่พอไปสู่สนามรบก็เขาง้างาสอนใสก็จะตายจะเป็นจะตายแล้วท่านองนี่นะได้ยินเสียงปืนนัดแรกก็าหาที่หลบก่อนแล้วนะนะ ฉะนั้นคนมง่วงอย่างสองเนี่ยพอเราผ่านตัวแรกไปได้เออตั้งใจขึ้นนะตั้งใจยกมือสมาธิดีขึ้นคนมง่วงอย่างสองเนี่ยมันจะมาแบบไม่รู้ตัวนะถ้าไม่ได้สมาธิมันไม่มาตัวเนี้ยถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่มายกมือไปยกมือมาแล้วนะก็บางทีก็มือค้างนะบางทีก็มือค้างไม่รู้มันฝันแต่เมื่อไหร่แล้วอความคิดเรากลายเป็นฝันไปแล้วนะ มันเถลอวูบไปบางทียกมืออยู่ดีไม่ค้างละ่ะตกมือตกแต่ว่าคออย่างเงี้ยนะหลับบางทีก็หลับเลยนะหลับเลยหลับเลยหลับไหลถ้าหลับถ้าหลับเลยก็โอเคอาจจะมีเสียงอะไรเป็นนิมิตให้พระรู้ว่าเอหลับแล้วนะเสียงกระก็มีนะนะบางคนหลับไหลไม่มีเสียงนะแต่มันไหลเป็นสายออกมาไง ไหลยอ้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังหน่อยก็แล้วกันในที่เกีย่ยดซักผ้านะมีน้าซ้ำไหลแล้วเสียดายดึงขึ้นมาก็มีนะปุ๊บเนี่ยกลืนฉะนั้นถ้าไม่มีสมาธิจริงแล้วตัวเนี้ยตัวหลับตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอาตามาสังเกตดูจริงๆริง้วนี่ยบางทีมันคล้ายๆก็ตกขวังอนะ่ะบางทีไม่ฝันนะมันพอตื่นขึ้นมาเอ้ามันไปแต่เมื่อไหร่สว่าง พอไปปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอ๋อเกิดตั้งแต่ว่ามีใครเห็นหรือเปล่าวะอายตัวข้างๆตัวข้างๆก็ฉลาดนะเห็นคนหลับแล้วเนี่ยพอเขาหันมาเขาเชิมันไม่รู้ไม่เห็นนะกลั <S <S <S วเขาอายนะเชิมันทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นคนนี้ก็อไม่เห็นเราไว้ยค อ, อยจุดตั้งหลักใหม่ตั้งใหม่ไม่ยอมไม่ยอมแก้นะหลับเหมือนเดิมนะพิ่มตั้งอีก วูบอีกอยกขึ้นมาตั้งอีกวูบอีกฉะนั้นจุดอ่อนมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งยกมือสร้างจะให้เป็นจังหวะดีๆนะอย่าไปทำเล่นนะถ้าทำเล่นเมื่อไหร่มันจะหยุดและสองอย่าเปิดโอกาสแก่มนันอย่าหลับตาขณะที่ทำนะบางคนหลับตาทำอย่างเงี้ยไม่นานหรอกนะ ยิ่งโดยเฉพาะมีเก e, ้าอี้ดีๆแล้วก็มีที่นั่งดีๆแล้วก็พิงซะด้วยนะถ้าไม่พิงก็ไม่เป็นไรนะถ้าพิงเมื่อไหร่แล้วก็เอาละมันมันมันสะดวกสบายอะ่ะโดยเฉพาะอาตมาว่าโซฟาเนะี่ยโซฟาจะเป็นตัวปราบอย่างดีเลยแหละนะพอนั่งปั๊บมันมันขดมันได้ที่นะโอ้มันจะเข้านิมิตเลยและ่ะฉะนั้นเก้าอี้เวลาปฏิบททัติธรรมท่านไม่ค่อยให้มี ผนังพิงที่วัดสนามในจะเป็นเก้าอี้เก้าอี้ไอ้หินอ่อนเนี่ยนะที่ไม่มีผนังพิงะเรี้ยงให้นั่งนะนั่งนั่งอาตมาครั้งหนึ่งไปเดินโยกมอยู่ใต้ต้นข่อยนะมันเป็นป่าดีเดินไปเดินมามีโยมคนหนึ่งหนุ่มหนุมหน่อยนะนั่งปฏิบัติเดินโยกมือเอ๊ะพระเออโยมคนนี้ทาไมเดินตั้งใจเดินแล้วเกินเดินเดินเดินเดินนั่งนั่งเดินเดินขยันอาตมาก็ไปสนใจนะ เดี๋ยวจู่ครั้งได้ยินเสียงดังตุบเ <laughs> <ky> <laughs> สียงดังแรงๆอย่างนั้นมันตกเก้าอี้อะเ อ, เอติตกอมาคือนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยเอาละอศาบม า, ศาสังเกตดูเอาละนะพอนั่งเป็นคนที่นั่งโยกไปโยกมาก็ว่า จ, จะปลุกแล้วนะแต่กลัวเขาเ ข, าขินอายทีนี้พอมันขึ้นแล้วมันเอาไม่อยู่ขามันขึ้นอะ ล, ลงด้านหลังดังทุบเลยน ะ, นะแกลุกขึ้นมา แกก็มองก็อายนะนะอายพระนะก็เราก็ทําเป็นไม่เห็นนะนะกลัวเขาอันนี้นะทําเป็นมองไม่เห็นเดินตะกลมเชิญเขาก็สู้ต่ออีกเใจเอานะก็ระวังเขาอี้พาล้มนะเป็นนะ้ำมัที่เขาอี้โยกนะแต่เนะพราะว่าดินมันยิ่งหลวมๆอยู่แล้วก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าตกลงไปมันเปียกนะน้ำมันไหลเป็ น, ปนะ น, ปนตมเป็นเลนอยูนะ่นี่คืออุปสรรคที่เราแต่ว่าถ้าทําไปแล้วถ้าเจอตัวนี้แต่พยายามเอาชนะให้ได้ ความวง่วงมันไม่เอาชนะแล้วมันไม่หมดหรอกเอาชนะคราวนี้เขาปฏิบัติเข้าหลังก็เจออีกเพราะอะไรเพราะตระมาศึกษาดูเอ๊ะมันทําไมไอ้ความง่วงไม่หายสักทีสติเรามีนะนะสติรู้เท่าทันก็ไปไหนมาไหนก็กําหนดรู้สบายมันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนปฏิบกรปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีสติพอปฏิบัติแล้วมันได้สติรู้เห็นความคิดตัวเองชัดเจนแล้วก็มีแต่ว่าความง่วงทําไมถึงไม่หายสักทีนะนิวร์แต่ว่ามันต้อง เราก็ผ่านเป็นขณะขณะเป็นช่วงอาตมาก็เลยนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งเอาสั้นๆตอนจบมันนิทานเรื่องถังสำจังอะที่จริงไม่มีกิงิงมีแต่เขาผูกเป็นอันนี้ไม่เฉยอพระถังสำจังไปเชิญพระตไตรปิฎกเห้นไหมทําไมอาตมาก็ถามพระสำจังดูนะโยมบอกว่าเจอเรื่องแต่เมื่อไหร่จะไหวกาถามในใจนะชิดเอาเอพระถังสำจัง ไปเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยทําไมไม่เหาะไปเลยทั้งที่ไอ้ลิงห่งเกียใช่ไหมไอ้ลิงเนะี่ยมันเหาะวินาทีหนึ่งไปได้ตั้งหลายปีแสงควจะไปเหาะเร็วกว่าแสงสิเนะไปเอาพระไตรปิฎกทำไมไม่เหาะไปเอามาเลยทําไมต้องเดินให้ลําบากนะเดินให้เขาต้องข่าต้องกินไอ้พวกไอ้มารมันจริงให้ข่าวเือนะใครกินเนนะื้อพระสงฆจังจะอามาตันะมันจริงจบ ทำไมต้องเดินทำไมไม่เหาะไปเลยฉะนั้นมันเป็นบุคล้ายฐานธรรมอ่ะฉะนั้นคนที่ติดตามระถังสำจังน่ก็มีอยู่สามสี่ตัวอันหนึ่งก็ไอเฮงเกียร์นยลิงก็เหมือนกับใจเรานะนะมันเร็วนะฟกแฝกฟกแฝกมันใจเราแต่ไมนลิงอ่ะกับกอกได้ไวเก่งก็เก่งเกินมันก็ไม่ใช่นะแต่ใจมันก็ถูกไอตัวหนึ่งที่เป็นอิด ตัวหนึ่งที่เป็นตัวอิดฉามันอะไรรู้ไหมไอ้ตือป่วย ก, กายไอ้หมูนะที่ติดตามไปไอ้หมูนะติดตามไปตลอดเวลานะแต่เพ้อไม่ได้นะใส่ไล่ใส่ไล่ ใ, ลให้อาจารย์ท่องคาถาลัดศีรษะเฮงเกียนะไล่เฮงเกียร น, ะ น, ยรนี้เพราะอะไรเพราะมันถูกลังแกมันไม่สบายถ้าไอ้ลิงอยู่ด้วยแล้วมันไม่เป็นอิสระนะไอ้หมูเนะแล้วไอ้ตัวหนึ่งไอ้ปีศาจอะไรตัวหนึ่ง ส่วเจิงนั่นคืออะไรอ่าถ้าอ่านในหนังสือทำามอ่านหนังสือไม่ค่อยดูทีวีเลยอ่านในหนังสือเป็นเรื่องยุ่เขาบอกปีศาจไก่นะไก่ติดตามไปด้วยส่วเจิงเนี่ยส่เจิงก็ไก่นะติดตามไปไอไก่เนี่ก็เหมือนกับร่างกายเราที่มันถูกตอดถูกจีบตลอเวลามันจิีบมันปวดตลอดเวลานี่แหละซื่อๆนะซื่อๆแต่ต้องติดตามต่อไปตลอด แต่ไอหมูนี่สําคัญทีนี้ย้อนไปถึงว่าตอนพระสั่งทำจังเดินทางไปข้ามไปเอาพระไตยปิดกมาได้นะอุ ป, ปรสรรคต่างก็เยอะแยะมางมายเลยนะเอามาตอนแรกเนี่ยได้อะไรมารุ้มไหมได้พระไตยปิดกมาเนี่ยกลายเป็นว่าพอข้ามน้ํามาไดนะ้ตอนแรกก็นั่งเต่าไปใช่ไหมเหยียบหลังเต่าข้ามน้ําไปนะตอนกลับมาได้พระไตยปิดกหอบมาเหยียบหลังเตา่ากลับมา ปลากระเต่าพอกลับมาแล้วเนี่ยมันหลอกจมลงไปในน้ําจะถึงฝั่งแล้วเนี่ยจะจมลงน้ำไอ้ทั้งสามตัวก็ตกน้ําปลอมแปรมเลยนะพระไตไปดฎกเขเปียกพอเปียกแล้วเนี่ยโอ้ตอนแรกยังไม่ดูนะในพระไตไปดฎกคืออะไรเอามาเอาพระไตไปดฎกมาแก่ถอดแก่ตากปากแห้งมันเปียกปรากรว่าพระไตไปิฎกนั้นไม่มีตัวหนังสือเลย เป็นใบาลานเป็นใบเปล่าหมดเลยนะพระสังฆ장เขาเอ๊ะทําไมถึงไม่มีตัวหนังสือไปถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรเลยได้แต่ของเปล่าวะเปเอาไปแ่ไปดูค่อยกลับไปเอาใหม่ถึงได้ของของจริงมาฉะนั้นไม่จริงหรอก็คือได้ของมาไปถึงที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรนะอย่างเช่นเราตอนนี้ปฏิบัติ่ะตอนนี้มีอะไรไหม มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีลูกมีสมบัติอะไรเยอะแยะมากมายแม่อตมาเนี่ยก่อนบวชก็มีมากมายเหมือนกันมีอะไรก็มีอย่งที่คนทั้งหลายเขามีกันนั่นแหละเนะไม่มีตั้งแต่ภรรยาเป็นหนุ่มตอนนั้นบวชก็มีแต่คู่มั่นนะแฟนสาวอยู่คู่มั่นมั่นหมายกันไว้ออกพรรษาแต่งงานกันทีนี้พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเอาเรื่องภาษาสับจังคะ ทำไมถึงพอได้ถึงที่สุดแล้วทําไมถึงไม่มีอะไรเพราะมันไปถึงนิพพานแล้วมันไม่มีใช่ไหมนิพพานมันไม่มีอะไรถ้าถ้าปฏิบัติเพื่อเอาเลยไม่ได้นะคนปฏิบัติเพื่อเอาอารมณ์เพื่อ อ, อะไรต่างเนี่ยผิดหวังต้องปฏิบัติเพื่อไม่เอาอะไรแล้วมันจะได้ได้อะไรก็ได้ความไม่มีความไม่มีมันสบายกว่าความมีนะเรามีสิบอย่างก็ต้องพลาดสิบอย่างมีเยอะก็เป็นห่วงเยอะก็ตายก็ลาบาก ถ้าไปแล้วไม่มีอะไรไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยแต่ในทีนี้มาดูเต่าคืออะไรทีนี้เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราต้องระวังเต่านะตอนนี้เราอยู่บนเต่าเหยียบเต่าอยู่นะกาลังข้ามน้ำคือโอกคะข้ามน้ำคือว่าต่างสงสารเราอาศัยเต่านะั้นข้ามมาข้ามไปเอาพระไตาไปดกนะได้แล้วก็ต้องระวังคืออะไรเต่าคืออะไรคืออินรีหก เต่ามีกี่ขาสีข่ขามีหัวแล้วก็หางเป็นหกทีนี้เต่าเวลาเจออุปสรรคแล้วมันทำยังไงหดหัวเข้าไปเขาบอกว่าคนปฏิบัติธรรมต้องรู้จักสารวมระวังไอ้ตัวสารวมระวังเนี่ยคือคือตัวที่เราจะต้องรักษาให้ดีล่ะอย่างเช่นเวลาเลิกแล้วเนี่ยเก็บก็อีบลงพวงพางคุยกันเฉยเนี่ยเราเต่าไม่หดหัวไม่ระวัง นะฉะนั้นเต่าตัวนี้ต้องระวางังเจออะไรเนี่ยอย่างเช่นระวังทางไหนล่ะทางตาเห็นเสียงรถเห็นใครเดินคู่คู่มาแนะเขาไม่ต้องไปมองหรอกกดหัวขึ้นมาเดี๋ยวมันจะคิดเกี่ยวกับเขาเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ระ ว, าวางังเอาจิตไประวังหูสักแต่ว่าไม่ต้องปรุงแต่งมันนะได้ยินเสียงรถได้ ย, ยินเสียงเครื่องบินเราน่าจะมีสักลําหนึ่งจะมีได้ขี่มันเต็มที่เลยเ ก็รู้ว่ามันไปกับหูกับคือต้องระวังตอนนี้เราอยู่บนเต่าทีนี้อาศัยเต่าไปแล้วเนี่ยได้อะไรได้อารมณ์ได้อารมณ์คืออะไรคือความสบายความว่างความเป็นปกติโอ้สบา ย, ยใช่ได้แล้วต้องได้แล้วต้องอะไรต้องระวังนะทีนี้ต้องรักษาขี่เต่ากับมาเนี่ยต้องรักษาถ้าไมรักษาเป็นไงอารมณ์เสีย มันกระทบแล้วนี่ยไปกปับมันปลงแดงหายและอารมณ์ที่มันสุขสบายเป็นไปติ ด, ด, ดหายเลยก็มีฉะนั้นเราต้องระวังตรงนั้นด้วยนะฉะนั้นผู้ปฏิบัติแล้วคือเหมือนกับอยู่บนขี่หลังเต่าต้องระวังต้องถ้าคนระวังไม่เป็นก็ไม่ค่อยได้นะฉะนั้นพระมาตรังบอกว่าปฏิบัติไปเพื่อเอาความไม่มีตอนนี้มีอะไร่ะเราสําคัญว่ามีเราเห็น ไ, ไหมมีอะไระมีโยม มีอรตมามีพระอันนี้ร่างกายฉันเนี่ยธาตุของฉันอันนั้นอันนี้ของฉันพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถ้ายังมีฉันอยู่เนี่ยแปลว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรยิ่งพัดภายิ่งจากยิ่งหนักยิ่งทุกข์พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจมีสติแล้วเนี่ยสติเราอย่างหนึ่งคือถ้าเรายังไม่ปฏิบัติธรรมเลยเราจะคิดออกไปข้างนอกคิดออกไปข้างนอกคิดไปถึ ง, งนคนนั้นอันนั้นอันนี้ทำนั้นอันนี้ แต่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเริ่มกลับเข้ามาดูตนเองยกมือยกมือสร้างจิตวะมันคิดไปนอกดึงกลับมามันคิดไปนอกรู้เท่าทันคิดไปนอกรู้รู้รู้พอรู้บ่อยๆตัดบ่อยๆแล้วเป็นไงความคิดมันตัดบ่อยว่าเกิดไม่ทันเหมือนกับเส้นผมเนี่ยมันเกิดมาก็โกนเกิดมาก็โกนเขายาวไม่ได้สักทีหนึ่งแต่ถ้าไม่โกนเปังไงยาวเฟ้เลยแล้วก็เป็นภาร่าเราอีกนะทีนี้รู้บ่อยๆตัดบ่อยๆมันก็จัด ออกไปข้างนอกไม่ได้นะมันวิเศษอย่างหนึ่งจิตของเราน่ะถ้ามันคิดออกไปนอกไม่ได้นะมันจะกลับมาคิดทางไหนแล้วมันจะโอบนาจิโกคิดเข้ามาข้างในคิดมันจะมาไขขวนตนเองมาพิจารณาตนเองโอ้ยเออเราที่จริงนี่มันจะมันจะเกิดยานตัวหนึ่งมาพิจารณาเลยโอ๊ยเออเรามันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างงั้นนะมันไม่ใช่เรามันคือมันคืออะไรอ่ะนะ ถ้าเห็นเราเป็นเราอยู่แล้วก็ทุกเราก็ต้องทุกข์ละเราเป็นคนทุกข์ละที่นี้เราก็ทาท์สีขนนะส่ขันห้า่ะมันรู้ข้างมันน่ะมันจะพิจามันเองเราท้าท์สี่ขันห้าแล้วคนนั้นเป็นใครคนนั้นก็ไม่ใช่คนคําว่าไม่ใช่คนตกใจอีกนะคนนั้นก็ทาท์สี่ขันห้าแล้วเราจะไปยึดเขาทําไมอะ่ะนะถ้ายึดว่าเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเราเวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราก็ทุกข์เนะี่ยถ้ายึดมาก อั น, นัน้อันนั้นก็ของเราบ้านของเรารถของเราเพราะของเราอยู่ถ้าเรามีก็เราใช้คุม้มแต่ว่าอย่าไปยึดไปติดกับมันเพราะอะไรเกิดมันไปชนมันไปพังทลายเสียหายหเกิดไปอุบิเหตุอะไรต่างก็ทุกข์กับมันอีกมีหน้าที่แก้ไขไม่ใช่มีหน้าที่แบกทุกปัญหาเป็นที่แก้ไขพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสบายก็ไปถึงมายแล้วว่าไปปฏิบัติเพื่อไม่มีอะไรมีก็เหมือนไม่มี ไม่ให้ทิ้งนะถ้าปฏิบัติแล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนีนก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไม่ปฏิบัติไม่เป็นนะมีแล้วรักษาให้ดีแต่อย่าไปทุกข์กับมันเหมือนอาต ม, มาพระทั้งหลายที่อยู่ตอนนีน้ถามว่ามีไหมมีมีอะไรมีวัดนะแต่ไม่ทุกข์กับมันนะดูแลมันบริหารมันให้ดี เหมือนกับมีไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีแต่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไหมไม่ทิ้งพุทธเจ้าเขาไม่ทิ้งพราะอะไรพราะผู้มีพระคุณแก่เราเรารักษาให้ดีแต่ว่าท่านเป็นอะไรไปเสียใจไหมอย่าเสียใจเพราะเราเข้าใจธรรมชาติคือการแตกสลายไปไม่เสียใจนะมีแต่อย่าไปยึดกับมันอีกถามอย่างเช่นหลวงพ่อท่านหลงพ่อมาหาเราเนี่ยนะถามว่าท่านมีแม่ไหม พ่อถ้าเสียมีแม่ขอไปที่ลงเกิบาลนิดหนึ่งมีนะท่านดูแลไหมดูแลแต่ท่านยึดไหมไม่ยึดจะเก็บจะใข้จะป่วยก็ดูแลตามหน้าที่ตอนนี้ท่านไปสร้างวัดให้แม่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมเอาสิ่งที่ดีให้ท่านนะเอาเอาเงินเอาทองให้พ่อแม่มันจบไม่เป็นหรอกยิ่งให้มันก็ยิ่งอยากได้เยอะมันไม่มีจะให้ด้วยพระนะก็มีอย่างเดียวคือธรรมนะเนะี่ยโทรไปเป็นไงบ้างสุขภาพร่างกาย ปฏิบัตอยู่หรือเปล่าตอนนี้เดินนกมอยู่หรือเปล่านะรักษาตัวเองดีๆนะแล้วก็แค่นั้นนะพอให้ท่านดีใจภูมิใจแล้วก็มีตั้งใจปฏิบัตินะมีแต่อย่าไปยึดฉะนั้นปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรหลายคนก็เข้าใจปฏิบัติธรรมเพื่อเอาเพื่อเพื่อเอาความไม่มีทำไมจะไม่มีให้เห็นความจริงของชีวิตนะเห็นความจริงชีวิตมันไปปฏิบัติไปแล้วมันเกิด มันเกิดเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายชีวิตเกิดเบื่อหน่ายแล้วพอเบื่อหน่ายแล้วมันก็โอ้มันอมันไม่อยากอจะไม่ใช่ไม่อยากจะปฏิบัติแต่มันไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันทําให้เราทุกข์สิ่งไหนที่ทําให้เราทุกข์อ่ะสิ่งที่เรามีนั่นแหละสิ่งที่เรามีเราเป็นนะมันก็ถึงจะอยู่ในมันชิมาปฏิปทานได้ในทางสายกลางไั่นนะ คือปฏิบัติไปแล้วนี่ยแม้แต่ความคิดก็ทําให้เราทุกข์มันคิดออกไปนอกคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่คิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามมันเพียงแค่สังเกตดูนะสังเกตดูคนที่ปฏิบัติรู้กับคนที่อ่านรู้มันต่างกันคนที่เรียนรู้อ่านรู้เรียนจบอ่าพระไตรปิฎกทั้งเล่มสิบลอกก็ตามเนี่ยทําไมถึงต่างกับคนที่ปฏิบัติ้ะรู้นะเพราะคนเรียนรู้รู้เฉยเป็นรู้เฉยเป็นสัญญาแต่ปฏิบัติเนี่ย ปฏิบัติไปไปมันเห็นความคิดออกกระดึงกลับมาเดี๋ยวคิดออกดึงกันมาทีนี้มันออกไปพอความคิดออกไปปั๊บมันทุกทันทีเลยนะตอนแรกเราไม่รู้ทุกหรอกแต่พอเราอยู่กับตัวปกติมันสบายใช่ไหมเผือคิดปั๊บมันหนักมันหน่วงดึงกับขึ้นมาอยู่กับตัวปกติเผือคิดอีกหนักหน่วงดึงมาดึงไปดึงมามันเผือปั๊บมันจะหนักมันจะทุกทันทีเลยพอเห็นทุกตัวนั้นแหละโอ้ชีวิตเรามันทุกข์ขนาดนี้เลยหรอ มันหลงคิดมาทั้งปีทั้งชาติคิดเกิดมาเพื่อความพึคิดอย่างเดียวก็เดียนบนอยู่ในวัฏสงสารคิดไม่หยุดไม่หย่อนเราเห็นตัวนั้นเราเกิดความเบื่อหน่ายในความทุกข์ในความคิดนะทีนี้มันก็พยายามจะทำอย่างไรให้ตัวเองนั้นคิดน้อยที่สุดมันก็เริ่มจากตัวที่มีน้อยที่สุดนะมันมันจะเข้าสู่ทางสันโดษไง ถ้ามีน้อยที่สุดแล้วมันจะคิดน้อยที่สุดถ้ามีมากก็คิดกับมันมากถ้ามีน้อยก็คิดกับมันน้อยไม่มีก็ไม่ต้องคิดนะมันจะจึงอยู่ทางพอเพียงทางพอดีทางสันดด้นโุดนะฉะนั้นเราเห้นอนกันนะ่ะเห็นความทุกข์ตอนนั้นก็เกิดความเบื่อหนเกิดความเบื่อหน่ายก็คลายกำนันนะนี่คือ พระเจ้าท่านเทศท่านสอนภาษาวกนะ่ะสอนทั้งหมดทั้งปวงแล้วท่านสอนเพื่ออะไรคําสอนทั้งหมดสอนเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายนะท่านจะอุปมมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นอาตมาถามหลวงพ่อวันนั้นนะเรื่องมาร น, นะนะตอนมานตอนที่ประจญมารตอนที่นั่งปฏิบัตินี่อีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็พูดถึงมานห้าหลวงพ่ออธิบายวันวันนี้อีกอย่างหนึ่งนะพวก ขันธมารเทพบุตรมารมัจจุมานพวกอะไรมารทั้งห้านะนพิสังคารมารอนะไรเนี่ยทีนี้ตอนอีกอย่างหนึ่งตอนพระราธะไปถามมานคืออะไรกันแน่พระเจ้าค่ะนะพุะริเจ้าก็บอกว่ามานคือรูปเสียงกลิ่นล้นะมานคือรูปเสียงกลิ่นล้พุะริเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่ารูป เสียงกลิ่นรถนั้นเป็นมารเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในรูปไม่ให้ยินดีในรูปนะให้เกิดความเบื่อหน่ายในรูปให้เกิดความเบื่อหน่ายในเสียงให้เกิดความเบื่อหน่ายในรถในผลพระในสัมผัสในธรรมรมถ้าให้เบื่อหน่ายแล้วปฏิบัติไปเถอะปฏิบป der, ปฏัติยังไงนี่มันก็ไม่เข้ามันจะจิตใจมันจะไม่สํารวมไม่สันโดษมันจะไม่สํารวมระวังอินทรีย์แล้วมันจะไม่ ไม่มีสมาธิท่าไม่เกิดความเบื่อหน่ายถ้าเกิดความเบื่อหน่ายท่านมาอาศัยประวัติไปแล้วเนี่ยแล้ลึกถึงความเบื่อหน่ายโอ้มันถ้ามันเบื่อหน่ายแล้วมันจะไม่คิดออกไปนอกนะมันจะอยู่จะอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันมันจะโอ้โดยเพราะเวลาเปิดฟังทอนีกันแสงนะโอ้มันทําให้จิตใจสดหดหมันเบื่อหน่ายนะมันอยากจะอยู่ปัจจุบันนะฉะนั้น เราปฏิบัติก็ตั้งใจเชื่อมั่นในการพิธีปฏิบัติในสิ่งที่ปฏิบัตินะลองทําดูเกียรติันเอาจริงๆเขาปฏิบัติลองดูมันจะได้อะไรก็แล้วแต่นะมันได้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้รแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็รู้รปล่อยรู้วางรู้ปล่อยรู้วางอย่าไปเอามันแม้แต่อารมณ์ปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยละวางมันมันก็ยิงอยู่กับเรามากตอนเราปฏิบัติเนี่ยโอ้เดินตอนได้อารมณ์ ใหม่ๆมันเบามันสบายมันโลวกมันโปร่งนะเนอเอาจริงเอาจังพอกลับมาวันหลังไม่ได้จะปฏิบัติให้ได้อีกนะโอ้มันอยู่ตรงไหนอารมณ์นั้นมันปรับถ้าพยายามปรับความรู้สึกให้มันได้ไอตัวนั้นน่ะปฏิบัติจนเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วนี่มันทุกข์อะมันเหนื่อยโอ้มันไม่ได้แล้พอมันบอกว่าเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วนะไม่เอาไม่ใช่ไม่ปฏิบัติไม่ไม่เอาไม่ได้ไม่ไม่ได้อารมณ์นั้นก็จะไม่เอาอีกแล้ว ทําเล่นๆเฉยพอคิดว่าไม่เอาเท่านั้นน่ะมันเกิดขึ้นน่ะมันโล่งมันปลอกมันยิ่งไม่เอามันยิ่งได้น่ะมันโล่งมันปลุกมันเมาสบายโอ้ยิ่งแสวงหายิ่งไม่ได้ยิ่งไม่เอายิ่งได้เพราะมันไม่มีตัวตนนะมันจะได้ต่อเมื่อเราทิ้งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหนักอ่าเอาหนักปล่อยเบาเอาหนัก ใช่ไมยิ่งปล่อยยิ่งเบายิ่งเอายิ่งหนักอารมณ์เช่นเดียวกันปฏิบัติเช่นเดียวกันนะฉะนั้นเราจะได้ที่พึ่งอย่างประเสริฐก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละแตตอนนี้เรามาหาที่พึ่งของเราอยู่สิ่งอื่นมันพึ่งไม่ได้สิ่งอื่นมันนะมันเป็นไปเพื่อชราหมรณะโสกับปริตเทวพราปักษะจิตใจหรือธรรมะตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเธอจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิด ทำไม่ใช่สิ่งอื่นที่ประเสริฐอะไรคือสติเรานี่แหละเป็นที่พึ่งดีสุดแต่ว่าสตาิไม่ใช่ตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกนะพูดตรงนี้โยงว่าตกใจนะสังเกตดูมีสติทำไมมันไม่ยอมปล่อยยอมวางไม่ยอมทีสติไม่ทำให้เราพ้นทุกนะแต่ว่าความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจความวิริยะทำให้เราพ้นทุก แต่ว่าคนบริสุทธิ์ด้เพราปัญญาอาตมาว่าปัญญาทนะี่ทำให้เราพนทุกข์นะปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไม่ได้พอเกิดปัญญาเห็นจริงเข้าใจในรูปนามเข้าใจในสมมุติปรมาภิ์โอ้ยทุกข์น้อยเลยนะทุกข์น้อยเลยสบายโอ้ยที่เก่งในชีวิตของเราเป็นอย่างนี้นี่เอ๋เราหลงยึดหลงติดหลงทุกข์ก็มันตั้งนานนะมันปล่อยได้ทีนี้โอ้ยนะคำไอ้ตัวเข้าใจเนะี่ยทําให้เราพ้นทุกข์ได้ ถ้าเราไม่เข้าใจเราทําให้เราติดเราทิศเร า, าสแสวงหาสิ่งที่ไม่เพเสื่ อ, อ, อยุติตลอดเวลาพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยโอ้โมันทําให้เราปล่อยเราว่างเราคลายได้ฉะนั้นครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาไม่ได้มายกมือสร้างจางกัรกรวาลเมื่อวานนี้แกอาจารย์สุวรรณนิดหนึ่งนะเดี๋ยวโยมจะเข้าใจพระเจ้าไป่ไดบอกขยกมือนะท่าอุปมาเฉยนะอ่าดูาเธอจงไปยกมือสิอะไรนะวัคคัลิกอย่างเนี้ เดี๋ยวโยมจะขอพระเจ้าบอกให้ยกมือสร้างจังหวะแล้วเข้าใจผิดดิท่านพูดอุบายเฉยแต่ท่านพูดไม่จบนะ <c oughs> ฉะนั้นครั้งพุทธกาลเนี่ยท่าไม่ได้มาเจริญสติอะไรมากมายแต่ครัง้งพุทธกาลคือคนมันมืดเมื่อตรงนี้ไม่มีความสะดวกสบายแม้ทุกวันนี้นะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกวันนี้แต่อยู่ได้เพราะอาหารเพราะอะไรกินไปมืดๆเฉยไม่มีตู้เย็น แช่อาหารไว้กินนานต้องหามือ้อกินมื้อไปเรื่อยๆอย่างมากเขก็บไว้มือ้อสองมือก็โบสถ์ก็เสียก็เน่าฉะนั้นคนถึงพอเพียงแล้วก็เขาสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตมันคืออะไรคนอินเดียนะครับพุทธการสแสวงหาอะไรมันคือสิ่งลัทิมันเยอะนะลัทิมันเยอะลัทิมนี่คือสิ่งที่มืดครอบงาำนะละทิเนี่ยคือสิ่งที่มืดครอบงามจิตใจคนทุกคนต้องไม่มีลัทิมสังกัดไม่ได้ ต้องมีทัศท <Yeah. S 1> the like the ี่สังกัดไม่เป็นอิสระถ้าเกิดมาในตระกูลนี้ต้องทําตามประเพณีต้องทําตามพ่อตามแม่ตามกันมาตลอดยึดมั่นปิดมันในสิ่งนั้นตลอดคนก็เลยอึดอัดก็แสวงหาสิ่งเขาแสวงหาทางออกมันคืออะไรเนี่ยชีวิตคนยิ่งแสวงหาสิ่งสูงสุดในชีวิตมากเท่าไหร่ก็มันก็เกิดการหาทางทีนี้เกิดการหาทางก็เหมือนเกิดอยู่ในห้องเนี้ยหาทางต่างคนต่างหาทางออกประตูเนี่ย ถ้าไม่หาทางออกเป็นยังไงไม่ต้องหามาล็กอกยุ้ยเฉยเหมือนทุกวันเนี่ยไม่ต้องหาทางออกชีวิตก็สะดวกสบายอยู่แล้วแต่คนเขาปรึกษาหาทางออกไม่มีใครมีกุญแจที่จะไขออกได้หาทางออ ก, ออ ก, าาออกบุ่นกันอยู่นะทีนี้พอพระเจ้าท่านไขประตูออกปั๊บเห็นแสงสว่างเข้ามาเท่านั้นแหละไม่ต้องบอกกันยากเลยโอย้แสงสว่างอะไรเนี่ยพระเจ้าพูดนิดนหน่อยหน่อยก็เข้าใจบรรลุธรรมกัน เพรเขาคิดอยู่ตัวเวลามันคืออะไรพอรู้ว่าคืออะไรแล้วเนี่ยมันก็เกิดแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจโอ้สิ่งที่เราตามหามาตั้งนานก็อ่าอะีรจย่างทุกขังหน้าตานี้เองตรารักนี่เองอริยสัจนี่เองชีวิตเรา น, น, นะฉะนั้นคําสอนพระเจ้าเนี่ไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับอะไรไม่ใช่สิ่งที่ลี้ลับถ้าคําสอนไหนวันทุกวันนี้ พุทธศาสนาเราเนพระพยายามสอนคําสอนพระเจ้าให้เป็นสิ่งที่ลี้ลับลึกลับเป็นสิ่งที่อ่าอัศจรรย์พิสดารในเชิงที่อภิเนหาร์นอะไรไปมากมายทาให้คนเกิดคิดว่าโอ้ยเราเข้าไม่ถึงหรอกไม่ต้องไปแสวงหาอะไรต่างที่ยังคําสอนพระเจ้าเนยง่ายๆนะง่ายๆเป็นสิ่งที่ลึกซึง้งนะไม่ใช่ลึกลับอะไรเป็นสิ่งที่ พูดเรื่องเกิดแก่เก็บตายธรรมดาเนี่ยสิ่งที่เราอยู่กับมันนี่แหละพูดเรื่องอริยสัจสีก่ก็พูดเรื่องทุกข์คือผลของสมุทยัยเหตุของทุกข์คืออะไรก็คือสมุทยัยเราทุกข์เพราะอะไรเราตามหาจริงเราทุกข์เพราะความเพราะเรามีเราเป็นพวกทุกข์ความที่มีที่เรียนเพราะที่มั่ น, น, นถือมัน่นเพราะความอ่าเข้าไปมีไปเป็นเนี่ยแล้วทางออกคืออะไรล่ะ ทางออกคืออมัดมัดมีองค์แปะคือทางออกทํายังไงจะปรับชีวิตตัวเองให้พอดีอยู่แบบสันโดษอยู่แบบพอดีพองามนะใช้ให้ใช้สิ่งที่มีให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็นิโรธคือเห็นทางสว่างนะเข้าใจแล้วถึงพอเข้าใจแล้วเนี่ยถึงเราเดินตามมัดนะเช่นเรามาปฏิบัติเนี่ย เราเข้าใจว่ามรรคผลนี่ผ่านไปเิงเข้าใจว่าปฏิบัติไปแล้วมันมีความสุขจริงเราถึงมาหาทางตอนนี้คือมรรคนะเราได้รับผลคือทุกขเรารู้ว่าชีวิตเรามีทุกเราถึงมาหาส ม, มุทยัยคือมันทุกเพราะอะไรโอ้ทุกเพราะเราไม่เข้าใจเพราะมันนี้เองพอเราหาส ม, มุทัยอยู่ทีนี้เราเห็นหนทางแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกอ่านมาก็เยอะโอ้มันอ่ความสุขมันอยู่ที่ความสงบหรือความอ่ ปล่อยกันวางได้เดี๋ยวเนี่นเรามาหาทางปล่อยทางวางคือตอนนี้กำลังหาทางหามักอยู่ฉะนั้นทําไมพระเจ้าไม่เรียงบอกว่าสมุทยัยทุกนิโรธเอ่อมักแล้วค่อยนิโรธทำไมไม่เรียงอย่างนั้นเพราะให้เห็นผลเสก่อนเราถึงหาทางนะแล้วก็เข้าใจเลิขิตแล้วเน่ยก็เข้าใจไตละเข้าใจต า, ล, าจตลักอย่างแจ่มแจ้งก็ทุกอย่างก็สมมติทั้งนั้นนะนะก็เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นเราปฏิบัติไปก็ตั้งใจนะก็ตั้งใจอย่าให้เป็นเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่พยานทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับโลกถ้าเราเข้าใจคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นอุปการะแก่คนอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะสั่งสอนเขาได้แต่อย่าไปทุกนะสอนคนไม่เอาบอกเขาไม่เอาเขาอย่าไปทุกเขานะเพราะคนมันก็แตกต่างกันมันมันหลายเหล่านะบางครั้งก็เขามีเวลาเนะี่ย จิตใจยังไม่พร้อมบางคนก็อยากจะได้อยู่แต่พูดไม่ถูกกาลเทศะตอนเขาอาสภาพว่าจิตใจเขายังไม่พร้อมเขาเขารับไม่ได้แต่ถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขารับได้อสอนคนต้องสอนขณะที่เขาทุกข์พระเจ้าจะไม่สอนขณะที่เขามีความสุขะพระเจ้าพยายามสอนคนสอนที่เขามีความทุกข์พระองค์จะนั่งเพง่งนะนั่งพิจารณาว่าใครนาะที่จะได้อุปนิสัย ขณะจิตใจว้าวุ่นจิตใจทุกข์อยู่น่ะสอนคนนี้กําลังมีถ้าใครกําลังทุกข์อยู่นะสอนบอกนิดหน่อยก็สว่างเะมันกับพระยศศักดิคนระบุทุกข์เบื่อหน่ายชีวิตนะเบื่อหน่ายชีวิตทั้งโลกเดินออกมาพระเจ้าเห็นแล้วพูดนิดหน่อยเข้าใจเลยนะคนที่กําลังโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดๆอย่างเช่นนางปตาจาราลูกตายพ่อตายแม่ตายนะเกินเป็นบ้ารพระเจ้าบอกนิดหน่อยโอ้จริงเข้าใจเลย นะถ้าคนมีความสุขอยู่เนี่จิตใจเป็นเทวดาอย่างนี้โอ้ยอย่าไปบอกเลยเอเขาสบายอยู่แล้วสะดวกสบายอยู่น้อยนะน้อยคนจะเข้าใจอย่างเห่นพวกเราเนี่ยอำตมเขาอาจจะจันใจอยู่นะก็สะดวกสบายทุกอย่างแต่ทำไมต้องมาสแสวงหาสิ่งเหล่านี้ด้วยแปลว่าเป็นคนที่เคยถ้าพูดถึงชาติตางก่อนก็ขอย้อนหน่อยอาจจะอธิษฐานจิตสาธุชาติใดพบใด้ขอข้าพเจ้าได้ เกิดพบพุทธศาสนาแล้วขอให้ได้พุทธปฏิบัตินะแล้วขอให้เป็นผู้ที่สะดวกสบายในความเป็นอยู่อาจจะฐานนั้นก็ได้อยเช่นคุณหมอทั้งหลายเนะี่ยหรือว่าเห็นสัจธรรมอะไรไม่รู้นะถึงออกมาปฏิบัตินะหรืออาจจะอิ่มทางโลกแล้วก็ได้นะเหมือนพระพุทธเจ้านะอิ่มทางโลกมันจะมีอะไรดนใจสักอย่างนะ่ะคนเรามาปฏิบัติทำไม่ใช่อยู่ๆก็มาปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าอยู่ๆไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติทำนะ เพราะมีเห็นเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่เห็นเทวทูตตัวแรกคนแรกคือเห็นความแก่โอ้คนเราต้องแก่แล้วะถูกปกปิดว่านานไม่เห็นไม่ให้เห็นความแก่เพราะเห็นความแก่แล้วโอ้คนเราต้องแก่นเห็นความเก็บโอ้มันต้องเก็บด้วยแล้วคนเราเนี่ยร่างกายแข็งแรงยิ่เห็นความเก็บใช่ไหมทําไมพวไม่ไม่หยิกตัวเองดูเนาะจะรู้ว่าความเก็บมันคืออะไร เห็นแต่ว่ามันไม่มีไม่มีอะไรที่จะสลดใจอ่ะนะพอเห็นความตายเท่านั้นน่ะโอ้โหมันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแล้วโศกเศร้ามันสลดใจสุดๆอ่ะนะพอเห็นหาทางออกที่มันโศกมันสลดใจแล้วคนถ้าเกิดอะไรสลดใจแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรเป็นข้อฉุกคิดนิดหนึ่งแล้วมันจะมันจะเกิดความเบื่อหน่ายนะ พอไปเห็นคนเห็นสมัมมนาโอ้โหนี่คือทางออกแล้วพวกนี้แสวงหาอะไรไม่ไม่มีอะไรไป่เสริมหาอะไรออกจากบ้านท่ามกลางความสาบแช่งด้ือความไม่พอใจของพี่น้องของอะไรต่างๆถูกเขาประนามออกมาตัดผมออกมาถือกลาเป็นขอทานนี่ถือเป็นการลบหลู่ตระกูลตัวเองเป็นอย่างยิ่งนะจนพระเจ้าสุทโทธธนะนี่ยว่าพระเจ้าเลยว่าลูกเอ้ยนะตระกูลเราอ่า ขัตติยาของเราเนี่ยศักยวงศ์ของเราไม่เคยถือกลาขอทานทำไมต้งไปทําอย่างนั้นนะสุโธทนะบอกพระเจ้าบอกวา่าตระกูลของตระกูลของพระพุทธเจ้าทุกอง์ทําอย่างงี้มีกลาเป็นสมบัติแลมีบาทเป็นสมบัติอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นตระกูลของท่านนะพระเจ้าเขาไหวอย่างนั้น like. มันทําให้ญาติตระกูล อ, บอับอายพระเจ้าสุโธทนะแทบจะไม่ออกมาพบคนเลย ลูกเห็นลูกคนนั้นก็บอกสิสท ธ, ธิฐะกุมารของท่านออกไปขอทานอยู่ตามปา่าตามเขาทรมานตนเองอยู่เนี่ยฉะนั้นต้องมีอะไรเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ฉุกคิดได้นะที่ออกมาอยู่อย่างนี้ได้นะอย่างเช่นเอาขอยกตัวอย่างที่า น, นางปรตาจาราเนี่ยสามีตายก็ทุกข์นิดหนึ่งใช่ไหมทุกข์ไปยี่สิเปอร์เซ็น เหมือนคนเราพวกเราธรรมดาถ้าสามีตายก็ทุกยี่สถ้าสามีไปมีภรรยาใหม่ก็ทุกอย่ยี่สิเปเซ็นตหมือนกันนะหรือห้าิอร์ซไม่รู้เลยตอนนี้ทีนี้มารุ่นที่เกิดจากอุทรเองที่รักที่สุดนะลูกแดงๆที่เอาไปฆ่าแล้วถูกตายไม่ตายธรรมดาถูกเหี่ยวมักหยิบบินไปต่อหน้าต่อตาแนตะ่ผมว่ามันทุกอีกทุกอีกแล้วสี่สิบห้าสิบเปอร์็นตะสี่อร์เซนตโอ้มัน ทีนี้มันลูกคนที่สองโดดน้ำตายตามไปอีกเงี้ยมันทุกข์อีกหกสิบเปอร์ซ็นแล้วนะเจ็ดสิเปอร์ซ็นต์ะโอ้ว่ามันทุกเกือบเป็นบาแล้วน ะ, นะเกือบเป็นบามันทุกขนาดนั้นนะฉะนั้นพอเดินทางมาได้ยินข่าวว่าฟ้าผ่าบ้านพ่อตายพี่ชายตายพ่อแม่ตายพี่ชายตายมันสุดที่จะทุกข์แล้วมันถึงที่สุดเสี ย, ยใจไม่รู้จะอะไรจะเสี ย, ยใจแล้วกลายเป็นไม่ทุกข์เลย นะเข้าใจไหมตอเนี้ยหายทุกเลยนะสติแตกอ่ะนะหลังจากที่ทุกมากๆแล้วเกิดหมดทุกสินทุกอย่างแล้วไม่ทุกเลยจําอะไรไม่ได้ไม่มีไม่มีสามีไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเสื้อผ้าแล้วแก่เสื้อผ้าเดินตรงเต็งไปตามถนนเลยกลายเป็นพั่มเพ้อไม่ทุกเลยทําไมต้องบอกว่าไม่ทุกเพราะไม่เห็นร้องไห้น่ะทั้งยิมทั้งหัวเราะร้องไห้นิดๆหน่อยๆหัวเราะข้อหัวเราะ นะสติแตกเข้าไปในวัดดีหลวงทางเข้าไปในวัดนะครบพระพุทธเจ้ากำลังเทศอยู่ก็นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจงมีสติเด็ดน้องหญิงเนี่ยเนางก็ได้สติขึ้นมาพอได้สติขึ้นมาก็อายก็นะก็ฟังทำพระพุทธเจ้าเนี่นิดหน่อยก็ได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตยังไม่บรรลุนนะเข้าใจสัจธรรมชีวิตเฉยว่าชีวิตเราก็แค่นี้เนาะ อชีวิตของคนเราก็แค่นี้นะไม่มีที่หนีตายให้อาศัยทุกชีวิตเกิดมาก็บันไหลทุกคนพอไปนางไปคืนนั้นเป็นบวชวิสุนีแล้วนะเอาน้ําลดเท้าตนเองคนเราจะเข้าใจมันเข้าใจเพียงแค่จุดหนึ่งจุดใดที่เป็นเป็นข้อฉก ค, คิดอนะมันจะเกิดปัญญาเพราะข้อฉก ค, คิดนะโยนิโสนมสิการ ปฏิบัติไปถ้าไม่มีโยนิโสนาฏิการเนี่ยมันไม่มันไม่เกิดก็ฉุกคิดมันก็ไม่เข้าใจอ่ะนางก็เอาน้ํามาลดเท้าตนเองรดครั้งแรกน้ําก็ไหลไปนิดนึงใช่ไหมลองเอาลองโยมลองเอาขันไปรดเอาถือน้ําใส่กระแป้งไปนะอยู่ข้างนอกสวนส้มเนี่ยตักมาลดเท้าปั๊บมันจะหายไปวีบหนึ่งนะรู้อย่างนี้แล้วไม่บรรลุหรอกอย่าฟำเลยเพื่อนไ้ฟังเฉยนะพอเรารู้แล้วทะลุก่อนเราจะไม่เข้าใจะมันจะไม่บรรลุมันจะไม่ มันจะไม่ซึง้งรดครั้งแรกน้ำหายไปแว บ, บหนึ่งนะ่นางคิดได้อย่างไรโ อ, โ อ, โอ้ชีวิตของคนเราก็เท่านี้เนาะบางคนเกิดมาอายุนิดหนึ่งปีสองปีหรือเพิ่งคลอดมาจากท้องก็ตายนะตายในปฐมวัยนะตั้งแต่อายุเกิดจนถึงยี่สิบปีเนี่ยขั้นปฐมวัยพอเอารดครั้งสองอีกรองรดอีกสิเนี่ยนางก็ตักน้ำมารดเพื่อดิรดทาก่อนนอน น้ำก็ไหลเลยที่มันไอตัวแรกมันอิ่มน้ําใช่ไหมมันก็ไหลเลยไปอีกนิดหนึ่งไปซึมลงไปไปอีกถ้าคืบสองคืบเนี่ยน้ําเสริมอีกนางโอ้คนเราเกิดมาก็อาจจะตายช่วงในวัยของมัตชิมวัยคือวัยกลางคนตายเพราะเหตุใดมัรู้แต่ต้องตายก็มีเนาะมันเรื่องธรรมดาเนาะคนเราเห็นไหมทีนี้มันลดอีกครั้งสามันก็ไหลไปอีกนิดหนึ่งไหลไปอีกอาจจะไหลไปเลยที่เดิมไปก็ หายไปโอ้ยบางคนก็ย oh, ืดยืนยาวคนเราไม่แน่นอนในชีวิตอ่ะเห็นไหมได้ข้อฉุกคิดตัวนั้นน่ะนางก็เข้าสมาธิเลยเนี่ยเข้าไปได้ชุกคิดตัวนั้นโยนิสโณนิพพานกามันเกิดตรงนั้นน่ะสลดใจเกิดกลุมเบื่อหน่ายใครกําำลัดจิตหลุดพ้นตอนนั้นบรรลุพระอรหันต์ตอนนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฉะนั้น เราจะเข้าใจเพราะโยนิสนุ่งกันบางทนเร า, เ, าเราปฏิบัติทำประอยู่ไปถึงตัวใดตัวหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าอยู่เฉยเฉยจะไม่เข้าใจได้อารมณ์สติสมบูรณ์ที่เฉยตัวหนึ่งจะเกิดขึ้นมาคือปัญญาของเราแต่ปัญญานนะั้ต้องอยู่บนพื้นฐานของสติที่มันเป็นตัวปกตินะความคิดนั่นแหละอาตมาบอกว่าความคิดแต่ว่าความคิดมันเบาที่สุดมันไม่เจียด้วยความหลงมันเจียด้วยมันอยู่กับสตินะเขาเรียกว่าจินตญาณหรือปัญญายาน นทําให้เราได้ข้อคิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นโอ้มันโอ้มันถึงบางออดโอ้อย่างนี้เลยอย่างนี้เราคือมันมีตัวบอกอโอ้อย่างนี้เองอย่างนี้เองอ ง, เองี้เองนะะได้แล้วมันจะไม่หลงไม่ลืมเรียกว่าปัญญาเข้าใจนะถ้าได้ตัวนี้แล้วมันจะประเสริฐกว่าการไปอ่านเข้าใจมันจะประเสริฐกว่าที่เราไปได้ยินพระพูดได้ยินคนพูดให้เราเข้าใจนะอันนั้นมันเป็นจินตญาณมันเป็นการเราคิดตา ม, มเฉย สุจีปุริเนะี่ยแต่ตัวนี้มันเป็นอะไรที่มันเกิดจากจิตของเราจริงๆแล้วเนะี่ยมันจะมันจะเกิดความลึกซึ้งซาบซึ้งมันที่เกิดขว้นโอ้ชีวิตของเราแล้ำจะเข้เาใจเนะดังนั้นวันนี้ก็พอได้ฟั ง, งนะสมควรเก็บเวลาแล้วนะก็ข อ, อนุมโมทนาแฟนๆโยมคอยเป็นนักสู้จริงๆนะขอให้เียอุปสรรคอะไรก็ขออย่าท้อสู้ขี้เกียจก็ทําขยันก็ทํา นะอย่าไปท้อแล้วก็ออกจากตรงนี้ไปแล้วก็อย่าไปทิ้งอย่าท้อแล้วอย่าทิ้งกลับไปถึงบ้านแล้วก็ระลึกบ่อยๆ <c oughs> เพราะอันนี้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่บุญนะไม่ใช่มาเอาบุญนะตอนนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของบุญมไม่ใช่เรื่องของบาปไม่ใช่เรื่องขอ ง, ของนรกไม่ใช่เรื่องสวรรค์มันเป็นเรื่องของเรามาทําที่พึ่งให้กับตัวเองมาหาตัวเองให้เจอถ้าเห็นตัวเองเจอแล้วมันจะเป็นที่พึ่งเราไปตลอดนะมันจะทุกข์จากทุกข์มากก็จจะทุกข์น้อยทุกข์น้อยลดลงไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเอาหลอกสวรรค์ที่ผ่าน ไม่ต้องไปเอาหลักสดาบันอนาคาจีเดคาไม่ต้องไปเอาเอาความไม่ทุกข์พอชีวิตเราในเพจอะไรก็ช่างเอาความไม่มีไม่เป็ียนดีสุดแล้วนะฉะนั้นก็ข อ, อนโมทนาสาธุการในความกุศลกิจที่โยมทั้งหลายได้ตั้งใจไปพฤิจารณาขอให้อา น, นิสงส์ตรงนี้นะให้เราได้ได้ดวงตายเห็นธรรมในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เห็นในสิ่งที่บรลา น, นตาสาวกทั้งหลายทั้งปวงในอดีตการเห็น แล้วก็อ น, นิสงฆ์ตรงนี้จงเป็นตบับพระวิจัยให้โยมผู้เป็นแม่ครัวผู้ที่ตื่นก่อนนอนทีหลังเรานที่ทําอาหารให้เราจงเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญได้มีชีวิตสะดวกสบายแล้วก็ได้ดวงตายเห็นธรรมพี่น้องได้ดวงตายเห็นธรรมลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายทั้งพวงได้มีโอกาสได้พิสปริบททัตธรรมนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพุทธศาสนาในอนาคตอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนด้วยเถอด